สิ่งที่เคยผิดมาแล้วก็ไม่ทำซำ้ำสิ่งที่เคยถูกมาแล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นเหมือนคนเคยเดินผ่านเส้นทางสู่จุดหมายเดิมถึงแม้กระปลกกระเปียเพียงใดก็ต้องจําหลุมบ่อจาขวากน้ำตลอดจนทางลัดได้อยู่ยอมไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นเป็นธรรมดา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 ย่อมพาไปสู่ความสงสัยว่าอย่างเนี้ยเราคืออะไรกันประสบการณ์ครั้งแรกๆที่คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างความคิดเชื่อว่ามีตัวตนกับความประจักษ์ชัดว่าตัวตนไม่มีนั้นเป็นอะไรที่น่าตระหนกยิ่งหากมีพื้นฐานจิตใจพร้อมคิดสละออกคือทานบารมีดีพอประกอบกับมีใจสะอาดคือมีศีลบารมีดีพอ